เพราะอะไรเพราะว่าถัดจากนี้ไปก็ก็จะได้รับบ้างไหมต่อไปและอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าท่านพระนรนินถึงรับแล้วก็ไม่ได้ว่าจะเอาผ้าอันนั้นมาใช้ด้วยตัวเองเท่านั้นแต่บทของเจ้ามาละเมื่อบูชาพระนนินก็เท่ากับบูชาพระสงฆ์ด้วยก็แบ่งผ้าอนั้นบูชาพระพุทธเจ้าด้วยบูชาพระสงฆ์ด้วยเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้กองบุญใหญ่ก็จะมีแก่บทเจ้ามาละนั้นเพราะฉะนั้น จึงได้ถวายพระเถระพืนหนึ่งฝ่ายพระเถระก็รับพระเหตุ น, นั้นเหมือนกันคือรับเสร็จแล้วก็มาถวายพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์รับผ้าพระองค์ก็แสดงธรรมอนุโมทนาให้เขาฟังอนุโมทนาว่าด้วยเรื่องอะไรก็เรื่องอานิสงส์ของการถวายผ้าเช่นให้ผ้าคือผู้ที่ให้ผิวพรรณคนคนเดียวกันเนี่ยนะถ้าใช้ผ้าดีกับผ้าไม่ดีเนี่ยผิวพันธุ์หน้าตานี่ออกมาต่างกันเยอะไหม บอกว่าเยอะมากฉันใดพระพุทธอ่าพระองค์จึงตรัสว่าการให้ผ้าคือผู้ให้ที่ให้ผิวพัน น, นะเพราะว่าการให้ผ้าเนี่ยให้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยทำให้คนเนี่ยน้าดูแล้วก็หน้าชมปกปิดอวัยวะอันเป็นที่ตั้งแห่งความละอายเะนั้นการให้ผ้า น, นั้นจึงให้ผิวพันแล้วก็ให้ความอ่เาเรียกว่าปกปิดอวัยวะที่น่าละอายจะได้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความละอายนั่นเองก็จะได้ว่าปกปิดเรียบร้อยแล้วองค์ก็อนุโมทนาถึงอ น, นิสงฆ์ของการ ถวายผ้าเนี่ยนะซึ่งในบรรดา น, นาบุญทั้งหลายเนี่ยผู้ใดที่จะเป็นนาบุญเช่นกับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวกเนี่ยหาได้ยากมันก็ผู้ที่ทําบุญกับพระพระพุทธเจ้าและพระสาวกเหล่านั้นใครเล่าหนอที่จะนับบุญอ น, นิสง์ผลบุญที่เกิดจากการถวายผ้าเหล่านั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้นท่านพระนนเมื่อปุกุสะมาละบทหลีกไปแล้วไม่นานก็น้อมคู่ผ้าเนื้อกเกลี้ยงที่มีสีเหมือนทองสิงคีซึ่งเป็นผ้าทรงนั้นเข้าไปสู่พระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเอาผ้านั้นไปหอมถวายเนี่ยนะผ้าที่พระนนน้อมเข้าไปสู่พระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมปรากฏดังฐานไฟที่ปราศจากเปเลวฉะนั้นก็คือดูงดงามดูสีออกสีทองแล้วก็เรื่มเื่อ่ะนะ คงเคยเห็นผ้าบางรูปที่ผ้าคล้ายๆแบบนี้นะพระผ้าที่ผ้าที่ท่านท่านนเอาไปห่มก็เหมือนกันแคเรียกว่าดูเหมือนกับดูทอดูอไรถานที่แดงออกงามมากระยิบระยับนั่นแหละท่านท่านนก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์เหตุไม่เคยมีก็มีมาแล้วเพราอัจฉริยะอภูตรธรรม น่าอัศจรรย์จริงๆควรแก่การดีดนิ้วมือให้ปรบมือให้สิ่งที่ไม่เคยมีก็มามีขึ้นเนี่ยนะว่าชวีวันคือผิวพรรณของพระตถาคตเจ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนักวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าผิวเนี่ยงามมากเลยนะผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลั่งแบบมีชีวิตชีวาน่าเลื่อมใสามากว่าผิวของพระองค์ก็บริสุทธิ์ผุดผ่องคู่ผ้าเนื้อกเกลี้ยงก็มีสีเหมือนทองสิงคีซึ่งเป็นผ้าทรงนี้ ข้าพระองค์น้อมเข้าไปสู่พระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ย่อมปรากฏดังฐานไฟที่ปราศจากเปเลวฉะนั้นเนี่ยนะคือรสมีที่มันพุ่งออกมาด้วยความประยิปประยับก็งามของผ้าที่มีสีเหมือนทองคําด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานน์ในการทั้งสองคือเรียกว่าสองสมัยนะที่กายของพระตถาคตย่อมบริสุทธิ์ ผิวพ่านเนี่ยผุดผ่องยิ่งนัก น, นะเหตุการณ์สองคราวเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรยนะ์เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากสองคราวหรือในสองการนั้นเป็นไนคือในเวลาทีา่เป็นเวลาราตรีที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนแรกตรัสรู้นั้นก็งดงามมากเลยนะผิวผันเปล่งปลั่งเป็นต้น และอย่างที่สองก็คือในเวลาราตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุสองครั้งนี้ผิวพันธ์งดงามมากเลยนะถ้าพูดแบบภาษาเราเราก็สงสัยพระองค์จะปรินิพานจริงหรือทําไมผิวพันธ์ของพระองค์นั้นผ่องใสแล้วก็หน้าเลื่อมใสแท้ดังที่พระองค์ตรัสว่า อ, น, อนุนในการทั้งสองนี่แหละกายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ผิวพันธ์ ก็ผุดผ่องยิ่งนะักดูก่อนอ น, อนุนในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แลตะถาคตจักปรินิพานในระหว่างไม้สาระทั้งคู่ในสารวันแห่งมลกษัตริย์ทั้งหลายเป็นที่แวะเวียนไปณนะกรุง เ, เป็นที่แวะเวียนไปณนะกรุงกุสินาราคือสถานที่ที่พระปรินิพานนี่เป็นสวนที่เป็นเจ้าทั้งหลายกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเที่ยวพักันนะซึ่งพระองค์ก็ตรัสกับพระนอนุว่ามาเถิดอนุน เราจะไปยังแม่น้ํากกุธานทีท่านทานนนท์ก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วฝ่ายปุกุสะนาผ้านําคู่ผ้าเนื้อกเกลี้ยงที่มีสีเหมือนทองสิงคีเข้าไปถวายพระศาสดาก็ทรงครองผ้าคู่นั้นแล้วก็มีสีมื อ, อมีสีเหมือนทองงดงามยิ่งนักเหมือั้นงดงามแล้วก็คืองดงามยิ่งนักนั่นเอง ในอัตถกาถาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าหน้าสด4สิบอบอกว่าถามว่าในคำว่าอิเมสุโข อ, อนันททวีสุกาเลสุถามว่าเพระเหตุรายกายของพระตถ า, าคตจึงบริสุทธิ์อย่างยิ่งนักในการทั้งสองคือสองเวลานี้ทำไมผิวพธุ์จึงผ่องใสเหลือเกินคือแรกตรัสรู้กับก่อนตอนที่จะดับขันธปรินิพาน ซึ่งพระองค์ก็ซึ่งคําตอบก็มีอยู่ว่าเพราะความพิเศษแห่งอาหารอาหารที่เสวยก่อนตรัสรู้กับอาหารที่เสวยก่อนปรินิพานนี้เป็นอาหารที่พิเศษอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองพระพุทธเจ้าดีใจมากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าดีใจมากสอ ง, สองครั้งนะนะสองครั้งก็คือแรกตรัสรู้กับก่อนจะปรินิพานโมนะแปลว่าดีใจมากสบายใจมากมีความสุขมากเลย เพราะอะไรเพราะในทั้งในการทั้งสองคือแรกตรัสรู้กับก่อนปรินิพานนั้นเทวดาในสากลจั ก, กรวาลเทวดาไม่ได้มาจากจั ก, กรวาลเดียวเนี่ยนะมาเป็นสากลจักรวาลก็เรียกว่าจักรวาลโดยรอบโดยทั่วไปหมดช่วยกันมาใส่โอชะลงในอาหารก็พอชนะนั้นตกถึงท้องก็ก่อประสานนรูปอาหารนั้นพอตกลงไปก็คือคื อ, คอมันเป็นยาชั้นพิเศษอะนะเป็นอาหารคําว่าอาหารกายานก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละ แต่ตรงนี้เรียกว่าอาหารเพราะ เ, เพราะเป็นสิ่งที่พิเศษสเสิ่ยได้อิ่มได้อะไรได้หลังจากที่อาหารนั้นตกถึงท้องก็ก่อประสานรูปรูปเป็นที่ตั้งแห่งความผ่องใสเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอินทรีย์ที่มีใจเป็นที่หกก็รุ่งเรืองยิ่งนัก น, นะใจเนี่ยนะตาก็ผ่องใสหูก็ผ่องใสผิวพันธุ์เป็นต้นก็ ผ่องใสและจิตใจของพระองค์ก็ผ่องใสเพราะอะไรเพราะมีรูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานทําให้เกิดความผ่องใสรูปเหล่านั้นเนี่ยไปทําอาหารชรูปให้เกิดขึ้นเพราะฉะนนั้รูปคืออาหารที่พระองค์เสวยเนี่ยนะไปบํารุงเลี้ยงดูกรรมชรูปไปบํารุงเลี้ยงดูอุตตรรูปและอ่าอะไรนะกรรมชรูปอุตตชรูปและปกติกรรมจิตอุตตอาหารใช่ไหมอาหารก็ไปสร้างอาหารรชรูปให้เกิดขึ้น แต่ไปอุปธรรมรูปที่เหลือเนี่ยนะมันอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทําให้พระองค์นั้นถึงความผ่องใสยิ่งนักเนนะเพราะว่าอาหารเนี่ยนะรูปอาหารหรืออาหารที่ที่มีรูปโดยโดยเฉพาะมีกัพลินกะลาหารมีอาหารเป็นคำคำเป็นสมุทฐานนั้นเป็นที่ตั้งให้เกิดความสดใสอันนี้พูดถึงว่าอาหารทั้งสองคราวนะไม่ว่าจะเป็นคราว แรกตรัสรู้ก็ตามหรือในคราวที่พระองค์สเสวยก่อนจะประดับขันปริณิพานก็เหมือนกันส่วนเพราะกำลังสโสมนัสพระพุทธเจ้าดีใจอะไระนะโสมนัสเนี่ยแปลว่าดีใจดีใจหมายว่าในวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ละลึกอยู่ว่ากองกิเลสที่เราสั่งสมมาแล้วหลายแสนกับวันนี้เราละได้แล้วหนอแปลว่าเป็นเค่ว่าอะไรนะหายจากโรคเด็ดขาดเลย คือเป็นปกติแล้วเป็นคนที่โรคเรื้อรังกระสอบกระแสะมาใช้ชีวิตอย่างทุกทรมา น, านมานานหลายแสนกับเพราะว่าจำปวดจนไม่รู้จะปวดยังไงแล้วในที่สุดแต่ว่าโรคนั้นหายเนี่ยดีใจไหมฉันนายพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันละกิเลสเหล่านั้นที่เคยสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะเป็นต้นกองก็ดีใจว่าวันนี้เราละได้แล้วหนอจึงเกิดสมนัตที่มีกําลังจิตใจก็เลื่อมใส จิตก็ใสเห็นนะก็จิตใจก็ใสเมื่อจิตผ่องใสเลือดก็ผ่องใสอินทรีย์มีใจที่หเป็นที่หกก็รุ่งเรืองตาก็ดูแล้วผ่องใสหูจมูกลิ้นหน้าตาผิวพรรณเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ส่วนในด้านจิตใจที่เรามองเห็นหน้าก็อย่างถึงใจว่าเป็นใจที่ประกอบไปด้วยปีติและโสมนัสเนี่ยนะเหมือนว่าดีใจอะไรสักอย่างที่พิเศษมากเนี่ยนะปกติแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะดีใจง่ายๆนะ สิ่งที่จะทําให้พระพุทธเจ้าดีใจก็คือฌานเป็นต้นนั่นแหละแต่บัดนี้เนี่ยพระองค์ก็เหมือนกับว่ามาดีใจเรื่องทั่วๆไปอันนี้เหตุผลเพราะเพราะอะไรเพราะพระองค์ดีใจที่จะปรินิพานหรือดีใจเพราะดับกิเลสได้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะตอนที่แรกตรัสรู้เนี่ยพระองค์ดีใจที่พระองค์ละ ก, กิเลสกําจัดกิเลสได้ทั้งหมดส่วนในวันปรินิพานนี้พระองค์ระลึกว่า วันนี้เดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปสู่นครอมาตะานิพานอันนี้เปรียบนะคำว่าเปรียบนิพานเหมือนนครเนี่ยวันนี้นี่แหละจะได้ดับขันทปริริณีผ่านที่พระพุทธเจ้าหลายแสนพระองค์เข้าไปแล้วก็คือดีใจแล้วว่าดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและดับวิญญาณ ด, ดับตาหูจมูกเล่นกายใจเสร็จแล้วเนี่ยแม้น่าดีใจขนาดไหนเพราะพระองค์ลํำพึงว่าในวันนี้เดี๋ยวนี้เราเข้าไปสู่นคร แล้วก็อมาตะมหาปรินิพานที่พระพุทธเจ้าหลายแสนองค์เข้าไปแล้วอันนี้จึงเหตุให้เกิดพระองค์สมนัตจิตใจก็ใสเมื่อจิตใจใสเลือด ก, ก็ใสเมื่อเลือดใสอินทรีย์มีใจเป็นที่หกก็รุ่งเรืองมันแสดงว่าอาหารก็เป็นเหตุให้หน้าตาผิวพรรณนั้นเป่งปลั่งสดใสงามนะฮดูน่าชมส่วนจิตใจก็เหมือนกันเนี่ยนะเรื่องของจิตใจนั้นถือว่าจําเป็นต่อ ร่างกายเนี่ยสูงมากร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เพราะอะเพราะอะไรเพราะอาหารอย่างหนึ่งเพราะจิตอีกอย่างหนึ่งทั้งจิตและอาหารชื่อว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้ร่างกายนั้นถึงความรุ่งเรืองเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอันนี้เป็นเหตุผลที่บิณฑบาตสองคราวนั้นอะไรเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเกิดปีติโสมนัสครั้งแรกดับกิเลสมาร น, นะ หมายความว่าชนะมานคือกิเลสมานเนี่ยนะตอนที่แรกตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตอนสุดท้ายพระองค์ชนะอะไรชนะขันธมานดับขันธมานพ้นจากขันธมานเนี่ยนะละดับกิเลสได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเมื่อพระองค์กำจัดละกิเลสได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็ดีใจมากอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยนะก็สิ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะเรียกว่าทิ้งภาระทําลายกองภาระกําจัดก้อนภาระกําจัด อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโศกปริเทวะเทวะกําจัดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งหลายทางร่างกายว่าพระองค์นั้นเรียกว่าละสังขารแล้วละรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณละอุปาทินกะอุปาทินกะดับโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะเรียกว่าทั้งกรรมชรลูกก็จะดับอย่างเด็ดขาดอาหารชรลูกก็จะดับอย่างเด็ดขาดจิตตชรลูกก็ยังดับอย่าง เด็ดขาดและที่สำคัญรูปที่เหลือก็เป็นเพียงแต่อุตุชรูปเท่านั้นเองเนี่ยนะอย่างพระบรมธาตุทั้งหลายเนี่ยนะเป็นรูปที่มีอุตุเป็นสมุธฐานแต่ถ้าตอนอยู่ที่อยู่ที่สรีระของพระองค์นั้นมีมีอะไรมีอะไรนะก็มีสมุธฐานส่ตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นี่มีสมุธฐานสี่แต่เมื่อพระองค์ดับขันทพรปรินิพานแล้วเหลือ สมุดฐานเดียวคืออุตุสมุดฐานโดยเฉพาะพระบรมสารีริกภาตที่เราไปกราบไปไหว้นั้นมีสมุดฐานเดียวคืออุตโตสมุดฐานส่วนในข้อหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หน้าสามร้อยสามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไปยังแม่น้ํากัปปุทาณทีนะก็เสเดินไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์เนี่ยนะ เสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จลงสู่แม่น้ํากัคกุธานาทีพระองค์ก็ส่งแล้วดื่มแล้วก็เสด็จขึ้นไปยังอัมพวันป่ามะม่วงเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระมหาจุนทะว่าดูก่อนจุนทะท่านจงช่วยปูผ้าสังคาติผ้าเป็นสีชั้นให้เราเราจักเหนื่อย เ, อเราเหนื่อยเราจักนอนท่านพระมหาจุนทะก็ทูลรับพระดํารับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ปูผ้าสังคาติผ้าเป็นสีชั้น ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสําเร็จศีหาสยยาก็คือนอนโดยพระปราดเบื้องขวาก็คือนอนตะแคงขวาทรงซ้อนพระบาทด้วยพระบาทมีสติสัมปชัญญะทรงมนสิการอุทธานสัญญาก็คือทรงมนสิการว่าพักชั่วคราวเดี๋ยวก็ลุกแล้วเนี่ยนะอุทธานสัญญาก็คือตั้งตั้งอะไรตั้งใจที่จะลุกเนี่ยนะพอเราเอ็นตัวลงปั๊บก็ตั้งใจว่าจะลุกณเวลาไหนาเมื่อไหร่ อันนี้เรียกว่าอุตฐานสัญญาส่วนท่านพระจุนทะก็นั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่นั้นนั่นแหละบอกว่ากล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระพุทธเจ้าผู้าศาสดาผู้พระองค์ผู้พระตถาคตหาผู้เปรียบมิได้ในโลกพระองค์เสด็จเหนื่อย นะพอไปถึงแม่น้ํากัตกุธานาทีเป็นน้ําที่มีใสจืดแล้วก็สะอาดพระองค์ก็เสด็จลงจึงไอระหว่างทางเนี่ยก็เหนื่อยเนี่ยนะักว่าจะไปถึงคือไม่ใช่ว่าพุทธคาเหล่านี้จะมีง่ายๆในพระไตรปิฎกเนี่ยนะบางทีเนี่ยพระองค์เดินทางวันหนึ่งสี่หโยชน์ไม่หยุดเลยเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวว่าพระองค์เคยเหน็ดเหนื่อยอะไรทั้งอายุสี่ิบกว่าห้าิกว่าแล้วนะแต่ว่าแม้ครั้งนี้แสดงว่ า, นานะหนักมากนะหนักมากเท่าที่เคยพบอย่างนั้นเถอะ พระองค์บอกเหนื่อยก็ไปถึงก็ส่งน้าพระองค์งและก็ดื่มน้ำเสร็จแล้วอันหมู่พิกษุแวดล้อมเสด็จไปในถ้มกลางพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ศาสดาพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นไปในธรรมนี้เสด็จถึงอัมพวันแล้ว